เ้ากล้วยหมายถึงความใจเย็นมีความคิดรอบคอบถั่วดําหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองเข้าเหนียวดําหมายถึงความเหนียวแน่นในเรื่องการเงินขนมเปียกปูนหมายถึงการปูบนบําเหน็จรางวัลแล้วก็ความสําเร็จแล้วก็โชคลาภนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะไข่เยี่ยวมา้าหมายถึงการวิ่งเต้นหรือการติดต่อเพื่อให้ได้รับความสําเร็จค่ะ